ตอนที่88ดสิพรสวัลล์ลำเลิศลิวันรับมาพิจารณาอย่างละเอียดนี่คือชวนหงป๋อกบกวนหงปอค่ะพูดเหลวไหลข้าก็รู้ว่าทั้งสองอย่างคือหงป๋อประเด็นคือเจ้าต้องแยกแยะมันให้ออกเซวีเชิงใช้แค่นหัวเราะเย้ยออกมาเขาก็รู้ว่าสมุนไพลสองชนิดนี้เรียกว่าอะไรแต่สิ่งที่ยากคือการแยกแยะพวกมันต่างหากหนิงช้างเฮอขหมวดคิ้วพูดจาให้มันดีดีหน่อยเซวีเชิงใช้รีบปุบปากทันทีไม่กล้าพูดจาสีสัวอีกอันนี้คือชวนหงปอค่ะ หลี่หวานกล่าวถูกต้องนิงชังเหย์พยักหน้ายอมรับในสิ่งที่หลี่หวานพูดบอกเหตุผลให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมจะแยกแยะพวกมันได้อย่างไรง่ายมากคะ่ะหลี่หวานตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทั้งสองชนิดนี้แยกแยะไดจากสีที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วพวกมันคล้ายกันมากหากไม่ระวังให้ดีก็มีโอกาสจำผิดได้สูงค่ะเซวีเฉิงใช้เจ้ายังมีอะไรจะพูดอีกไหม นิงชังเฮอมองลูกศิษย์ด้วยสายตาเอื่อมระอาในเมื่อความสามารถไม่ถึงก็ควรตั้งใจเรียนรู้อย่าเอาแต่เอาแรงกายแรงใจไปทุ่มเทกับเรื่องอื่นทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เรื่องก็คือไม่ได้เรื่องต่อไปพวกเจ้าต้องถ่อมตัวและขอคำชี้นะจากเสียหวานให้มากอาจารย์ครับหล่อนแน่นอนว่าเซวีเชิงใช้ไม่มีทางเลื่อมใสหลีหวันเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ต่อหน้าหนิงชังเหอเขาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกหล่อนทำไม เจ้าอย่าเอาแต่ดูที่อายุข้าอายุมากกว่าเจ้าตั้งเท่าไหร่ข้ายังต้องถ่อมตัวขอคําคปรึกษาจากเสียหวานเลยเจ้าต้องเข้าใจหลักการที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยีงมีคนนิงช้างเหอผู้จบก็โบกมือเล่เขาช่างเถอพวกเจ้าสองคนรีบไปจัดการสมุนไพรพวกนี้ให้เรียบร้อยอย่าขี้เกียจจนเสียเวลาเซวีเชิงชัยและจินมานทั้งตอบรับครับเสียหวานพวกเราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะเอ๊ะเด็กสาวคนนี้เก่งจริงจแฮะจินมานทั้งเบะปากด้วยความอิจฉาเล็กน้อย ถ้าข้ามีสมองดีๆแบบนี้บ้างก็คงดีข้าจะได้ไม่ต้องตามรับใช้อาจารย์มาห้าหกปีแล้วยังเป็นได้แค่ลูกศิษย์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ให้เงินเดือนสูงครอบครัวข้าคงอดตายกันหมดแล้วก็แคร์ฟลุกน่ะเซวียเฉิงใช้ไม่มีทางเชื่อว่าหลีหวานจะมีความสามารถมากขนาดนั้นจริงๆพวกเราจะยอมให้เด็กสาวคนหนึ่งมาข้ามหน้าข้ามตาได้ยังไง <c oughs> ข้าว่าอาจารย์อาจจะจงใจจัดฉากให้หล่อนมาอยู่ที่ร้านเพื่อกระตุ้นพวกเราให้พวกเรามีความกระตือรือร้นไม่ใช่เอาแต่ทําตัวหล่ะและไปวันวันพูดมีเหตุผลรีบทำงานต่อเถอ จิ้นมานทั้งถอหายใจแค่จัดคลังสินค้ายอย่างเดียวก็ทำมาเกือบครึ่งเดือนแล้วเหนื่อยจนแทบขาดใจจริงๆเซวีเชิงใช้จ้องมองแผ่นหลังของหลีหวานที่อยู่ในลานบ้านด้วยสายตาครุ่นคิดลีหวานดูเหมือนจะสัมผัสดได้ถึงบางอย่างจึงหันกลับมามองแต่สายตาที่จ้องมองเธออยู่นั้นได้หายไปแล้วช่วงบ่ายหลีหวานเตรียมตัวจะกลับบ้านพอดีกับที่ชนเข้ากับเจ้งเศร้าเหงิงที่เพิ่งเลิกเรียนหน้าประตูร้านช่วงนี้ที่โรงเรียนไม่มีเรียนเสริมภาคค่าจึงจัดเวลาให้นักเรียนกลับไปทําการบ้านที่บ้าน เจ้งเศ้าเหิงเห็นหลี่หวานก็ชะงักไปทันทีเธอเข้าไปซื้อยาเหรอใครในบ้านป่วยหรือเปล่าไม่มีใครป่วยแค่ฉันมาทำงานหลี่หวานยิ้มพลางกล่าวเท่าแก่ให้เงินเดือนฉันเดือนละห้าสิบหยวนก็ไม่เลวใช่ไหมคะเธอขาดแคลนเงินขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อเจ้งเศร้าเหิงได้ยินว่าเธอมาทำงานสีหน้าก็เคร่งครึมขึ้นมาทันทีท่านอสองรู้เรื่องนี้ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาฉันจะบอกพ่อเอง หลีหวันพูดจบเมื่อเห็นเจิ้งเศร้าเหิงยังคงทำหน้าจริงจังก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาพี่อย่าทำตัวเป็นคนแก่เคร่งครึมแบบนี้สิคะพี่อายุมากกว่าฉันไม่กี่ปีเองแต่ฉันรู้สึกว่าพี่ดูแกกว่าฉันอีกถ้าเธอขาดเงินก็บอกคนในบ้านได้ตอนนี้ที่บ้านยังไม่ต้องการให้เธอออกมาหาเงินหลอกอีกอย่างเท่าแก่ที่กล้าจ้างด้วยเงินเดือนตั้งห้ิบหยวนสงสัยสมองคงไม่ปกติแน่ๆหลี่หวันอายุแค่นี้จะได้เงินเดือนตั้งห้สหยวนเชียวเหรอล้อเล่นกันชัดๆ ฉันไม่ได้ออกมาหาเงินอย่างเดียวแค่ฉันแค่อยากหาอะไรทําเพิ่มไม่อย่างนั้นอยู่บ้านเฉยๆทั้งวันมันน่าเบื่อหลีหวันเรียบอธิบายที่โรงเรียนก็ไม่จําเป็นต้องไปทุกวันตอนนี้ฉันแค่รอสอบเก่าข่าวอย่างเดียวเธอมั่นใจเกินไปแล้วเจ้งเศร้าหงงรู้สึกกังวลกับสภาวะของเธอในตอนนี้เสีววันอยาหาว่าพี่ไม่เตือนในการสอบเกาข่าวนั้นสําคัญมากหน้าที่หลักของเธอตอนนี้คือตั้งใจเรียนเรื่องหาเงินคือสิ่งที่เธอควรคิดหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่จําเป็นต้องให้เธอมาลำบากใจเธอไม่ไปเรียนที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอเอาใจไปจดจ่อกับเรื่องอื่นปัญหานี้มันจะร้ายแรงมากนะเจิ้งเซาเหิงคิดว่าหลี่หวานกําลังเอาอนาคตของตัวเองมาล้อเล่นต่อให้เธอจะฉลาดแค่ไหนก็ไม่ควรคิดเรื่องอื่นเร็วเกินไปขนาดนี้หลี่หวานสัมผัสได้ถึงความหงอยใหญ่ในคำพูดของเจิเ้งเซาเหิงมุมปากจึงผูดรอยยิ้มบางๆฉันทราบครัพี่วางใจเถอะการสอบเกข่าวฉันทําได้เต็มที่แน่นอน ที่กำลังพูดเรื่องจริงจังนาอย่ามาทำหน้าทะลน n s ตรงนี้ฉันก็กำลังพูดเรื่องจริงจังเหมือนกันค่ะเจิ้งเศร้าเหิงเห็นว่าเกลี้ยกล่อมเธอไม่สำเร็จจึงบอกให้เธอขึ้นรถด้วยน้ำเสียงเย็นชากลับบ้านก่อนถ้าท่านอาสองกับอาสไปซ์สองไม่ห้ามเขาก็จะไม่ยุ่งแล้วแต่ความจริงที่สุดให้เห็นว่าทั้งเจิ้งอวิ๋นฉงและหลี่ชิงผิงต่างก็สนับสนุนการตัดสินใจของลูกสาวเป็นอย่างดี พวกเขามีความเห็นตรงกันว่าความคิดของเสียหวานค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่การที่เธอทำแบบนี้ย่อมต้องมีเหตุผลของตัวเองแน่นอนตอนแรกเจิ้งเซาเหิงบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วแต่เมื่อเห็นท่าทีของท่านอสอและอสไพ่สองเขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องยุ่งอีกครั้งท่านอสองท่านจะละเลยเสียหวานเพียงเพราะตอนนี้อสไพ่สองกำลังตั้งท้องไม่ได้นะครับอาไปแล้วเลยเสียหวานตอนไหนกันเจิ้งหวิ่งมัน ง, ง, งไปช่วขณเพียงเเพรเาาะขไม่หห้ามเสียวึนงัังนน้้นนนนนเเเเหหหรรรอออออกกาาาาททที่่่่ปปลลลลยยใธธไแะะคื เจ้งเศร้าเหิงเน้นเสียงหนักแน่นอายุเท่าไหร่ก็ควรทำสิ่งที่ควรทำในช่วงวัยนั้นครับใช้คำพูดของเจ้านั้นมีเหตุผลต่เสียหว่านไม่เหมือนเด็กคนอื่นหล่อนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเจ้งหวินฉงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเซาเหิงต่อให้เสียหว่านไม่ไปเรียนที่โรงเรียนผลการเรียนของหล่อนก็ยังดีที่สุดในระดับชั้นของพวกเจ้าอยู่ดีเรื่องนี้เจ้าปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมเจ้างเศร้าเหงิงคขาไม่ปฏิเสธเขาขอยอมรับแต่ผมคิดว่าการทำแบบนี้เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจมันไม่ดีครับ ตอนนี้เสียหวานมีความรู้ระดับมัธยมปลายแตกฉานมากแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเลยด้วยซ้ำอาจจะบอกความจริงให้เจ้ารู้เลยนะความจริงปีนั้นหล่อนไม่ควรเข้าสอบจงข่าวด้วยซ้ำแต่ควรเข้าสอบก็ข่าวไปเลยคะแนนที่ออกมาก็ยังคว้าตำแหน่งจ้วงยืนได้อยู่ดีเจ้งางวินฉงกล่าวอย่างมั่นใจอารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงน้องสาวนั่นเป็นเรื่องดีแต่เจ้ายังไม่รู้จักเสียหวานดีพอเจ้งางวินฉงยกมือขึ้นตบไหล่เขา อลรีไปทําการบ้านเธอต่อประหย่าทําการบ้านจนดึกนักอายุยังน้อยแต่ขอบตาคํายิ่งกว่าอาเสี ย, ยต่อไปถึงจะสอบติดมหาวิทยลาลัยดีๆแต่ถ้าร่างกายซุกโสมไปมันจะกู้คืนลําบากครับเป็นเพราะเขาไม่รู้จักหลีหวันดีพออย่างนั้นเหรอเจ้งเศรื่อเหิงคิดในใจดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหลีหวันคนนี้ฉลาดจนเกินจะบรรยายเธอโดดเด่นเกินไปจริงๆโดดเด่นจนเจ้งเศรื่อเหิงที่โตมาขนาดนี้ไม่เคยเจอใครเหมือนเธอมาก่อน เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ล้ำเลิศโดยแท้จริง